ถ้าเดี๋ยวยอมสวรรค์หนูติดใจกันว่าโอกาสขณะและที่รับต้องยกอะไรมาเกียบเทียบต้องยกภรรยาของพระโมโหสถมาเปรียบเทียบตรงเนี้ยบอกว่าทั้งๆ ท, ที่มีขณะมีโอกาสมีที่รับมีขณะมีโอกาสแต่ทําไมนางรู้สึกจะชื่อจันทาเดีมาจําชื่อไม่ได้นั่นนานฉันแล้วแต่ทําไมนางจึงไม่ทําชั่วคืนนี้พระโพธิสัตว์ตอนนั้นเป็นพระโมโหสถก็ทัดลอง ภรรยามผมก็จะนอกใจนะก็ให้คนที่มีคุณสมบัติเทียบพร้อมทุกอย่างหน้าตาดีด้วยนะแล้วก็มีทรัพย์มากด้วยฉลาดเป็นต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วตอนนั้นอนะ่ะพระโพธิสัตว์ก็ไม่อยู่ด้วยให้ไปพูดไปที่ภรรยาผมท่านี่ยแล้วก็ไปพูดแล้วพระพัฒน์กเกี่ยวกองเพื่อช่องการให้นางนั้นเนะี่ยมาอยู่กับเธอเด็กนางกขมาในส่วนจริงนางไม่ควรผิดด้วยประเด็นปัญหาก็เลยถามว่าเอ๊ะทาไมนางไม่ ใช่มพุทธพจน์บอกว่านั้มีโอกาสมีขนาดและมีที่รับนางเห็นโอกาสเห็นขนาดแต่นางไม่เห็นที่รับและอย่างหนึ่งก็คือว่านางเปรียบเทียบระหว่างพระโพธิสัตว์กับคนที่มาใหม่ทางด้านของสติปัญญาก็ต่างทางด้านถึงความสามารถนี่แค่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนะี่ยคือตอนนั้นในหลักตรง น, นั้นจะพูดถึงประมาณสักห้าสิบหกหรือสี่สิบห้าสิบประยาม เทียบได้คนคนที่มีความสามารถต่างๆประมาณร้อยยี่สิอย่างอะไรเนี้ยนะซึ่งซึ่งมันไม่ถึงแบบนี้อย่างนึ้งแต่ยามหนึ่งนางพิจารณาแล้วไม่มีที่รับตรงไหนที่จะทําบาปได้เลยนางก็พิจารณาถ้าคนไม่รู้เทวดารู้ที่เราจะไปทําบาปในที่ตรงไหนที่เทวดาจะไม่เห็นพฤติกรรมของเราไม่มีฉะนั้นเนี่ยทัศนะที่นางเข้าใจคําสอนอย่างดีแล้วเนี่ยนะนางจึงรู้ว่าไม่มีที่รับและคนที่รู้จงจงคื อ, อนตนเอง แล้วเขาจะหลบยังไงเขาจะหนีได้ยังไงเมื่ตอตนเองรู้อยู่คนทาบาปนี่ตนเองเป็นผู้รู้อยู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยนางก็เลยไม่เห็นที่ลับที่ไหนไหนเลยเพราะตายตรงไหนตนเองก็รู้หมดไปตรงไหนตนเองก็เห็นหมดฉะนั้นจึงบอกว่าอย่างนี้ไงเขาเรียกว่าผู้หญิงนะี่ถ้าไม่ฉลาดในคําสอนหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจชีวิตให้ถูกต้องอ่ะก็สําคัญร่วมมีที่ลับ ทีนี้คําว่าผู้หญิงเนี่ยได้โอากาสได้ขนาดได้ที่รับเพราะการเป็นผู้หญิงเนี่ยความโรเลโรเลในใจสูงมากเพราะความที่เกิดเป็นหญิงเนี่ยถามว่าผู้ชายโรเลมีเยอะไม่เยอะนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกวงศชาติที่ใกล้ชิดของเขาเขาเคยเป็นหญิงมาอย่างยาวไกลฉะนั้นการสลับกันมันมีปกติระหว่างหญิงและชายอามาเคยเป็นหญิงมาไม่รู้กี่ล้านล้านชาดังนั้นความโรเลในจิตใ จ, ใจอามาก็ยังมีอยู่สูงมากซึ่งมันต้องรักให้ได้ใช่ไหม เราท่านทั้งหลายว่าเคยเกิดเป็นชายไม่รู้กี่ล้านล้านชาติแต่ก็เราก็มาภาพเป็นหญิงไงได้โทษของการมเยสุมิชายาถามว่าสัตว์ที่นั่งกันอยู่เนี่ยที่ไม่มีใครทําการมเยสุมิชายาไม่มีเลยมันแล้วแต่ใครนั้นจะมีโอกาสในการกรรมนั้นจะให้ผลแล้วมันให้ผลในปฏิสนธิการได้ไหมไในประวัติการได้ไหมได้เนียมันจะทําโอกาสให้เปลี่ยนภาวะเพศเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งๆ ท, ที่เป็นอยู่อย่างเงี้ย หรือไม่เปลี่ยนทั้งด้านกายแต่จิตใจเปลี่ยนซึ่งเราก็เห็นยเยอะแยะถ้ายอมมงคลจะไปเปลี่ยนเพศเพราว่าตอนอายุ80เนี่ยน่าเกียดไหมน่าเกียดใช่ไหมแต่เราจะไปห้ามได้ไหมถ้ากรรมนั้นจะให้ผลเพราะเขาให้ผลทั้งในปฏิสนธิการและในปวัติการบางคนเนี่ยอายุถึง80แล้วเพิ่งเป็นเพิ่งเปลี่ยนทับร้องไห้เลยต้องแอบแต่งตัวในห้องอาจารย์นนะ เพราะเขามีข้อมูลใช่เขาไม่เห็นที่รับคือประเด็นจริงๆต่างๆหลายคนที่กล้าทําชั่วเพราะคิดว่ามีที่รับไม่มีใครเห็นเพราะว่ามีมีที่รับเช่นเราอยู่ในห้องคนเดียวเราคิดว่าที่ตรงนั้นมันรับก็ลืมว่าไอเราเนี่ยรู้แต่จริงๆก็คือเที่ยวเดยวาทั้งหลายเต็่ไปหมดเยมันเขเห็นการกระทำของเราบมดก็เหมือนถ้านั่งฟังหลับเนี่ยเที่ยนั่งฟังแล้วหลับเนี่ยเที่ยวดารู้ไหมแล้วตนเองรู้ไหมั่นหไม่มีที่รับแย่แอบเราเพ้อ ตรงนี้ก็เจตสิกศีนจํำได้ละหกตัวสมาวาจาสมากรรมตาสมาชีวะนี่เป็นตัววิรตีแล้วก็ความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาอันนี้คืออะโลพะาอาโทสะอโมหะนี่เขา้าใจแล้วนะพอประก่อบแล้วยกตัวอย่างประ ก, กอบทุกตัวดิว้มาต่อแตเนี้ยนะยังไม่จบเรื่องศีนสรุปแล้วได้ศีลสองตัวและเจตนาศีลกับเจตสิกศีล เอาใครยังมึนๆอยู่ฟังต้องให้ได้ความเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายสรุปเพราะตอนท้ายยันจะสรุปสรุปต้องเอาสิกมามะคือการไม่ก้าร่วงจึงพูดทั้งกุศลจิโดบาทพูดโดยองค์รวมทั้งหมดสิ่งต่างๆล้เกิดร่วมกันไม่ร่วมแต่มีอะไรเป็นประธานแต่ละครั้งก็ว่ากันไป บางครั้งเจตนาเป็นประธานบางครั้งสมาวิจาเป็นประธานบางครั้งสมามตาเป็นประธานบางครั้งสมาชีวาเป็นประธานบางครั้งความไม่โลภเป็นประธานความไม่โกรธเป็นประธานหรือปัญญาเป็นป ร, ระธานสภาวธรรมเหล่นั้นก็เกิดเกื่อหนุนกันไปเขาจะใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าใครจะมาขึ้นมาเป็นวิเศษยิ่งกว่าธรรมะเหล่านั้นก็อนุกลูลไปใช่ไหมเมืนกรณีอย่างเงี้ยถ้าเรามานั่งเรียนอย่างเงี้ย ก็ต้องให้พูดกล่าวผู้สอนธรรมะเป็นประธานไปแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่บ้านแต่เราบุงคลเนี่ยเราก็ไปเป็นใหญ่เป็นเล็กก็ว่ากันไปตามฐานนะอย่างนี้เป็นต้นมันแล้วแต่ว่าวาระนั้นอะไรจะวิเศษยิ่งกว่าวาระนั้นก็ขึ้นมาอยู่ในฐานะเป็นประธานไเข้าใจใช่ไหมเห็นไหมเขาเกิดร่วมกันไหมแต่แล้วแต่ว่าอะไรจะมาทํากิตในการที่จะเป็นประธานนอกนั้นก็เกิดร่วมกันในการที่จะจัดแจงกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมให้เป็นไปกับสิ ถ้าตัวกูสอรศีลถ้าเราเข้าใจให้ชัดมันจะเดินได้ชีถ้ายังไม่เดินศีลไม่ได้เงียปัญหากันทุกวันเนี่ยจริงไหมเม่ชีสเกตยูที่รักษาศีลมาตั้งนานเราเดินไม่ได้อ่ะมันต้องยอมรับกันตรงๆเลยนะไม่ใช่ว่าปลดผ้าบวชมาตั้งนานเดินได้คล่องแคล่วแล้วนะเพราะความไม่เข้าใจมันต้องมานั่งแกะแกนแยกแยะก็เหมือนที่บอกว่าเรื่องศีลเนี่ยมาพูดเป็นสิบๆครั้ง มบางทีสรุปไปเสร็จกลับไปถามเดินได้ก็ยังยังคือคือตรงเนี้ยนามาใช้คุยกับพระเนี่ยทนำมาพูดถึงสุนักสุนักของนายพานมีสองประเภทประเภทแบบกัดติดกับแบบกัดไม่ติดกัดปล่อยแต่พวกสุนักกัดปล่อยกัดไม่ติดเนี่ยนายพานก็ไม่เลี้ยงปล่อยไปเลย ให้หายกินเองถ้าประเภทกัดติดเนี่ยเขาเลี้ยงเวลาเอาเข้าป่านี่ยนะเวลาไปเจอกระต่ายเจอกวางเจออะไรต่างๆเม่นเนี่ยนะมันกัดติดเลยมันไม่ปล่อยหรอกกัดแล้วเนี่ยก็เคยไล่อคระัะป่านขนาดเป็นวิ่งไปนี่นะมันไปเจอแม่นอะ่ะแม่นมันสลัดขนได้นะขนมันยาวเป็นอย่างนี้เลยอะตัวเม่นเนี่ยสลัดขนปุ๊บนิคขนแม่นปักที่ตรงตาม เ, เปลือกเข้าวตาปั่นร้องเลยไอ้เจอาเม่นทานนีคน่คนรู้จักออกมาเลยเนะีย ไปเตก็ถอดออกเอายาใส่เพราะใส่เบสเซตแล้เบสเซตมันวิ่งตามไม่ดีกันมันไม่ยอมยีก็เลยกัดติดการศึกษาคำสอนต้องประเภทกัดติดอย่าปล่อยก็แปลว่าต้องเข้าใจให้ได้ต้องเดินให้ได้ต้องเพียรพยายามเวลาเวลาฟังท่านให้สให้ชิเวลาเราสังเกตุว่าพาได้มาแต่แล้วเนี่ย เวเรารู้สึกว่าเราจดใช่วาจาใช้สายใช่วาจาใ่นใาจาอะไรที่ไม่ดีอ่ะมันเฉลิบไปเพราะมันจะทำให้มันเฉลิบเลยทําให้เราไม่น่าไม่น่าไม่น่คิดไม่น่าทตรงนี้เขาเรียกว่าตัวปุสราศีนะมันขึ้นมาเกิดบ้างหรือสมาธิหรือปัญญานะ่ตรงเนี้ยนะก็ถ้ามันเกิดได้เร็วกว่านี้ยิ่งดีงดเพราะว่า มันจะต้องเกิดเปล่ยนปริมาณหนาเ น, นี่ยคืออย่างนี้ามาเท่าที่สังเกตดูเนี่ยความตั้งใจของหลายๆคนไม่ค่อยแข็งแรงบางคนตั้งใจสูงมากแต่บางคนนั้นมีความตั้งใจอ่อนแอมากคือความปกเร้าคุณธรรมไม่เดินไม่มุ่งมั่นในการที่จะเดินเลยมาว่าเขายังไม่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงจริงไหมถ้าเขาเข้าใจจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาควรเร่งมีคืออะไรถ้าเข้าใจจะเข้าใจอ ย, อยังไงที่พยายามเนี่ยหนึ่ง ต้องเจาะให้เล็กเข้าถึงตัวสภาวาธรรมถ้าเข้าใจตัวสภาวาธรรมที่เป็นกุศลศีลนะเข้าใจเจตนาชักว่าเจตนาที่มันเป็นศีลเป็นร่ำยังไงแล้วบาปอากุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นเพื่อจะเป็นเคียรเป็นการล่วงละเมิดหทางกายและทางวาจาถึงแม้ไม่ล่วงละเมิดแบบประเภทที่แรงๆเช่นมีการว่ากล่าวใช่ไหมเราออกมาเลยเนี้ย ยิ่งคุณทําไมทําอย่างนี้ก็ไปว่ากล่าวทั้งๆ ท, ท, ที่มันร่วงละเมิดไปแล้วแต่เราไม่เห็นโทษต้นการร่วงละเมิดครับ น, นะหรือกรณีที่เราถลึงตามองต า, งตาเขียบเลยเนี่ยนะหรือกรณีที่โกรธแล้วก็พูดท่าออกมาเนี่ยนี่ความเพอ้เอเชื่อความมุสาวา่าเป็นต้นแหล่านี้มันไหลออกมาเป็นระยะเนี่ยไอ้กรณีนี้เราไม่เห็นโทษว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาวะต่างๆนี้ที่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวขวางกุศลธรรมมือและตัวเหล่านี้นําเราลงระบายผูมิได้ เพราะถ้าไปเห็นโทษตรงนี้ไปเสร็จต่อมานี้มันจะเก็บรายละเอียดได้เลยตอนนี้จะต้องไปเจาะให้เข้าใจถึงขนาดนั้นแล้วในสติจีจะเป็นปกติของศีลที่มันเกิดขึ้นมาเดินจนมีความแข็งแรงแล้วทีนี้กรณีที่มันจะเดินได้แข็งแรงในหนึ่งตัวศรัทธาใช่ไหให้สังเกตดูนะว่าตัวปัญญาที่ไปเป็นตัวเจตสิกศีลน่ะ ไปพิจารณากรรมผลของกรรมเบ็เสร็จนี้เข้าใจว่าพระบรมศาสดาตรัสเรื่องกรรมสิบสองไว้กรรมสิบหไว้อย่างไงพอเข้าใจความหมายของก็กรรมเข้าใจนานคณิกะธรรมะปัจจัยต่างๆพอเข้าใจสาชาติกรรมะแล้วก็นานคณิกะธรรมะใช่ไหมกรรมที่ประชุมกันในจิตเบ็ดเสร็จเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยในการทํากรรมเมื่อทํากรรมเ็ดเสร็จแล้วก็ทําให้ได้รับผลของกรรมพอพิจารณาอย่างนี้ก็น้อมในการพิจารณาบาปทุจริกแล้วแล้วก็บรรงเพ็นสุจริต ทีนี้พอเป็นไปในรัตน์อย่างนี้พอปัญญาเกิดมากขึ้นปัญญาก็มาเกื้อกูลศรัทธาก็มีสรัทธาขจารูปทิศตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระริยสมชัดขึ้นศรัทธาก็ไปเกื้อหนุนวิรยิยะก็ทําให้วิริยะนั้นประคับประคองกุศลได้อย่างต่อเนื่องต่อไปทุกโชนะเกิดขึ้นก็เพียงพยายามนี้จะทําให้กุศลเดินตัววิริยะก็ไปเกื้อหนุนสติ ก็ไม่หลงลืมนะแต่ก่อนมันยาวใช่ไหมกว่าจะนึกบาปนึกบุญได้นี่ยาวมากนะเข้าสติขแข็งแรงของาะวิทยาเพื้อหนุนสติก็คิดได้เร็วขึ้นระลึกได้เร็วขึ้นสติก็ไปเกื้อหนุนสมาธิจิตก็ตั้งมัน่นความพุ่งซ่านก็ไม่เข้าเพราะความตั้งมั่นเกิดปัญญาเกิดไหมปัญญาก็ไปเรื่องวิจัยกรรมผลของกรรมละเอียดขึ้นปัญญาไปเกื้อหนุนอะไรอีกสตาห์แล้ว ศรัทธาก็เกื marriage, 53, skins, port e ่อหนุนวิริยะวิริยะเกื่อหนุนสติสติเกื้อหนุนสมาธิสมาธิเกื้อหนุนปัญญาปัญญาก็เกื้อหนุนศรัทธานั่เข้าณเข้าตัวอินรี่ห้าเกื่อหนุนจนแข็งแรงในกระแสใจก็ก้าวออกจากการฆ่ามดเว้นจากการฆ่าก้าวออกจากการละมดเว้นจากการละก้าวออกจากการประพัติในการก็หมดเว้นจากการปฏิบัติในการ ก้าวออกจากการพูดส่อเสียดก็คืองดเว้นจากการพูดขอเสียดคยําหยาบหรือเพือเชื่อก้าวออกได้ด้วยก้าวออกจากอภิชาในน้อมไปหาความไม่โลภ ก, ก้าวออกจากความกโกรธน้อมก็หาเมตตาก้าวออกจากโมหะน้อมก็หาปัญญาแล้วก็ก้าวออกจากความไม่ยินดีในการเจริญกุศลที่เป็นปันปนอยู่หลายคนเนี่ยไอ้ความหดหู่รอดถอยก็เริ่มมีใจล่าเริงในการที่จะเจริญกุศลมากขึ้น นี่มันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มก้าวออกจากอากุศลกรรมบทสิบน้อมก็ห า, ากุศลกรรมบทสิบต่อมาสุจริตสามดีไหมกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแข็งแรงมากเลยอันนี้แปลว่าสุจริตดีแล้วอันนี้เป็นก้าวแรกแปลว่าสุจริตสามเริ่มดีแล้วประเด็นต่อไปคือวิริยะต้องเพียรพยายามทําให้สุจริตสามเดินให้ต่อเนื่องเออนี่เป็นหน้าที่ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นนะไม่ใช่โอ้ดีใจแล้วเราออกได้แล้วไม่ใช่ ขนาดที่ออกได้แล้วนะเขาก็พยมมายามรักษาคุสลสุจริตสามให้เดินอย่างต่อเนื่องอินซีก็มาทำกิจต่อใช่ไทำเจดสิกสีให้แข็งแรงขึ้นไม่ใช่แข็งแรงอย่างเดียวความอวิปฏิสารคือความไม่เหลื่ยมร้อนใจก็เกิดปราโวดเกิดัหยปราโมดทีติเกิดความสุขเกิดได้ดื่มรสทองสีหอยงได้ดื่มแล้วรสของสีได้ดื่มดาแล้ว มีความสุขแล้วแต่ก่อนไม่เคยมีความสุขเลยอ่ะยี่สิบปีไม่เคยมีความสุขจากการรักษารสิเลยเครียดกับกังวลตลอดแต่ตอนนี้ได้รับความสุขสดชื่นเลยสดชื่นตรงไหนสดชื่นที่ได้ออกจากทุจริตได้แต่ยังมีเรื่องที่จะต้องบําเพ็ญต่อไปไหมมีออกจากกามฉันทะได้หรือยังอย่างออกจากพยาบาทได้หรือยังอย่างอีกอยังนิวรังยังออกไม่ได้ออกจากสีน้ามิถะได้หรือยัง ออกจากอุท่าจากกุกุจาออกจากวิจิกิชาออกจากลวิชาออกจากความไม่ยินดียังออกไม่ได้ใช่ไหมตัดน้อมไปที่จะออกนะเข้าสมาธิกตัตตังเป็นอุปจาระนั่นนถะึงจะออกได้พอออกได้มันถึงจะพ้นเครื่องพันธนาการระดับหนึ่งอันนี้พูดอนาคตให้ฟังที่เรายังเดินยังไม่ถึงเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่นั่งโถถูเท้อซอยกันอยู่เนี่ยแต่มันเป็นอย่างนั้นก็ใหญ่ยาง กาปรปฏิบัติตามว่าทำมันเป็นอย่างนี้อะไรยางถ้าเดินอย่างเนี้ใช่ถ้าอย่างที่เป็นไปอยู่ไม่ใช่อาจารย์เราทำไมถึงถึงด้านปรัชนาของเราทําไมเราไม่เดินีนตัวยอย่างนีผลอ ย, า, ยงงากเรียนที่สูงยังไงแต่เจ้าตัวที่สันเดชศิกย์เนี้มันยังเกิดอยู่กับเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีการเจริญเสียไม่มีการอบรมไม่มีอะไรมันจะรู้ได้ยังไงมันรู้เรื่องเยอะจังเลแต่ว่าตัวเรายังทําไม่ได้เลย สักทางก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดแล้วตรงเนี้จะก้าวไปถึงจุดไหนได้ตรงนี้เอานี่ไงถึงบอกว่าตอนเนี้ยจัดจ้างจัดแกงแแล้วก็เองให้ชัดก่อนก็เยอะเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งคิดออกนอกตัวบางครั้งเี่เราก็ศึกษาแต่เราเข้าใจแต่ทำไมเรายังมีตัวนี้ขึ้นมาทุกทีเวลามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราจะมีตัวนี้เกิดมาทุกทีทาไมเราไม่เข้าใจชัดเจนอย่างนี้เพราะอะไรนะเพราะว่า ควาไม่เข้าใจเรื่าการอบรมน้อยหรือไม่เข้าใจเรื่องของกุูสอนศีลไม่เข้าใจมากกว่าทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราจะเรียนสูงยังไงตัวเราตัวนี้เราจะไปเกิดไปอคืออย่างนี้เยอะอย่างนี้คือาต้องเข้าใจว่าบางทีเรียนสูงแล้วมีปัญญาตัวปัญญาจะมาเกื้อกูลได้แต่ต้องต้องมีครูบาอาจารย์เชื่อไม่เห็นสมมติเราไปเราเรียนสติปัฏฐานนี็นไหมสติปัฏฐานจะมาเกื้อหนุนแล ต่อไปสติปัฏฐานที่มีความเข้าใจในเรื่องของปัญญาในเรื่องของธรรมะอย่างดีสิ่งต่างๆเหลนี้จะมาเคลื่อนหนุนตัวกุศลศีลทาให้ตัวกุศลศีลชัดขึ้นเข้าใจใช่ไหมมันจะทำให้ชัดขึ้นฟังไว้เหอะขอให้ฟังอย่าให้มานั่งหลับเถอะถ้านั่งหลับเนี่ยท่านจะไม่ได้อะไรจริงๆเพราะว่าถ้าเราไา้ไปถึงจุดนี้แล้วเนี่ยความจริงเรามีหนังสืออ่านเรามีการศึกษาสิ่ไปอ่านอยู่ได้ จิใงเรานนนมัค <bullet metros> ือมันอย่างนี้นะในหนังสือเนี่ยการเขียนเนี่ยมันจะไปยกอุปมาเหมือนพูดมันยกไม่ถึงใช่ไหมกระถามุกทั้งหลายหรือข้อมูลทั้งหลายต่างๆเนี่ยมันจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์มันต้องอาศัยกัลยาณมิตรทั้งหลายนี่แหละมาช่วยกันแล้วก็ระดมความเพียนในการที่หาเข้าอุปมาอะไรต่างๆมาแยกแยะมาแค่มาแกะมาเกาเนี่ยนะใช่ไหมเขาก็ขนาดยกประเด็นต่างต่างแบบนี้ยถ้าถามเลยเนี่ยมันนั่งเรียงตัวถามเนี่ย เอาเลยเนี่ยนั่งเรียงตัวถามได้ไมาเองยังไม่มั่นใจเลยเลยใช่ไหมเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจเลยเนะประเด็นก็คือพวกเราเนี่ยที่มีโอกาสเจอกันบ่อยๆเนี่ยหลังจากมาให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยหันหน้าแล้วก็ปรึกษากัน่องศีลเงินทกันบ่อยๆก็ยกโทรศัพท์คุยกันบ่อยๆใช่ไหมเป็นยังไงศีลที่ท่านบอกเขาไว้เนี่ยมันออกมาเพ่นพ่านทางกายทางวิชาถูกไหมต่มันไม่ออกมามันเป็นเพราะอะไร คืออย่างนี้นะาแนะนําอย่างนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งยอมเดินได้ให้เกิดได้ได้ดื่มดั่งบ้างในรสชาติของศีลวันนั้นยอมอธิบายได้ชัดนะจะอธิบายได้ชัดเพราะเข้าใจสภาวะอ่านยังไงก็อ่านไม่ถึกถ้าเดินเดินยังไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยนมันก็พอพิจิตาําราและลือีกเลยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจะต้องเอามาให้เดินให้เกิดไม่เกิดก็เคียนพยายาม พ, อพ่อครูให้เกิด เดี๋ยวเนี้ยมีข้อมูลอะไรเยอะฟังไปเรื่องศีมฟังฟังให้มันเกิดความเข้าใจะอามาเนี่ยถ้าไม่อยู่ด้วยเนี่ยถามที่ให้อ่านไม่ต่ำกว่าสิบรอบแล้วมาอธิบายไม่ต่ำกว่าสี่ห้ารอบอธิบายทุกวันไม่ได้ได้ไงถ้ายังไม่ได้บอกเอาต่อเอาไม่ได้ให้ต่อเี้ยมันเป็นนั่งอยู่อย่างเนี้เลยยังไม่เจอหน้าก็ถามอาสรุปได้แล้วสรุปตรงนี้ก็คือว่าคนคนบางคนส่วนใหญ่ จะมาเจอมาเยอะเนาะก็จะเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้มีศีลเพราะไม่เข้าใจศีลแเพราะไม่เข้าใจศีลก็เลยเข้าใจว่าอามาก็ไปเจอโยมอยู่คนเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเขาจะผิดศีลได้ยังไงคุยเขาก็ไม่ได้ไปคุยกับใครใช่ไมทีวีก็ไม่ดูฉะนั้นเขาอยู่แล้วสัตว์ต่างๆเขาก็ไม่ฆ่าเขาก็มาแต่ ว, วัดใั้เขามั่นใจว่ามีศีล อามาก็คุยรู้จักกันมาอามาไม่เชื่อหรอกเขาเขาเรื่องไม่ก็พอใจมานมาอามาก็เลยยกตัวอย่างรู้จักเจตสิลป์รู้จักเจตนาศิลป์รู้จักสังวรไหมรู้จักอมีติไหมไม่รู้เลยถามไม่รู้แล้วจะรู้ได้ไงตอนนี้ศีลป์เกิดตอนนี้ศีลไม่เกิดใช่ไหมแต่การไม่ฆ่านั่นเป็นผลใช่ไหมอย่างนี้แต่กรณีที่ไปรู้ว่าถามว่าแล้วทุกข์ใจบ่อยไหม บ่อยมากกังวลไหมกังวลไม่ค่สบายใจเลยไม่ใช่อ่แล้วมันศีลมันต้องความสะอาดใจอะ่ะใจต้องสะอาดกายไม่ต้องพูดถึงวาจาไม่ต้องพูดถึงสะอาดแล้วอย่าลืมนะถ้ามีศีลส่วนใหญ่ก็มีไปมีแบบว่ามีตัณหามานะ ท, ที่จีอิงอาศัยความสําคัญว่าตัวตนเป็นผู้รักษากระ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เต็มไปหมดฉะนั้นความเข้าใจติดเต็มไปหมด นันตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วมันจะได้ขัดเกาดลาตัวเองนะต่อไปเนี่ยหนึ่งทางกายก็จะต้องขัดเกลาชัดขึ้นทางวาจาแตวนี้คาพูดคำจาต่างๆมันออกมาจากจิตที่เป็นกุศลนอบน้อมใช่ไหมมันจะออกมาจากการนอบน้อมเพราะผู้มีพรพภาพก็จะมีศรัทธาในพระเจ้าเพิ่มขึ้นมันมีปัญญาหินโทษของสันสารวัตมากขึ้นแล้วการขัดเกลามันชัด แล้วมันจะไม่น้อมไปในการที่จะเพ่งเล็งผู้อื่นนะแต่น้อมกลับมาที่จะขัดเกลาร์ตัวเองตลอดเองใช่ไหมเพราน้อมในลักษณะนี้ยุ่งมันใช่แล้วโดยกุศลสีมันชัดในลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นไปในลักษณะนี้แปลว่าศีไม่ใช่แล้ว